ในโลกนี้มีที่พึ่งอยู่สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งที่พึ่งแท้และสองที่พึ่งปลอมที่พึ่งแท้คือที่พึ่งที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันศูนที่พึ่งปลอมเป็นที่พึ่งชั่วคราว เป็นที่พึ่งที่จะต้องมีวันศูนย์มีวันหมดไปพวกเราส่วนใหญ่มนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้จะรู้จักแต่ที่พึ่งปลอมที่พึ่งชั่วคราวแต่จะไม่รู้จักที่พึ่งจริงที่พึ่งแท้ที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่ง ที่พวกเรารู้จักกันและอาศัยกันอยู่ในทุกวันนี้เป็นที่พึ่งปลอมอะไรคือที่พึ่งปลอมก็คือสิ่งต่างๆ ท, ที่พวกเราอาศัยอยู่ให้ความเป็นสุขแก่พวกเรานั่นเองเป็นที่พึ่งปลอมเช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นที่พึ่งชั่วคราวเป็นที่พึ่งไม่ถาวรมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาเจริญก็เป็นที่พึ่งให้ความสุขกับเราเวลาเสื่อมก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งให้แต่ความทุกข์กับเรา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 การอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้เรารู้จักที่พึ่งแท้ที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งแท้ที่พึ่งที่ถาวรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองที่จะสอนที่จะบอกให้เราสร้างที่พึ่งที่แท้จริงสร้างความสุขที่แท้จริงที่จะอยู่กับเราไปตลอด นี่คือเรื่องของที่พึ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ตอนนี้พวกเรายังเข้าไม่ถึงที่พึ่งแท้เพราะการจะเข้าถึงที่พึ่งแท้นี้เป็นสิ่งที่ยากลาบากพอสมควรจะต้องมีความเพียรพยายามที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติถึงจะสามารถเข้าถึง ที่พึ่งที่แท้จริงนี้ได้ตอนนี้เราเลยยังต้องอาศัยที่พึ่งชั่วคราวไปก่อนแต่ไม่ควรที่จะช่าใจควรที่จะเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าที่พึ่งที่พวกเราพึ่งกันอยู่ตอนนี้เป็นที่พึ่งที่ไม่แน่นอนเป็นที่พึ่งที่อาจจะดับไปหมดไปได้ ทุกเวลานาทีเช่นร่างกายของเราที่เราใช้เป็นที่พึ่งไว้หาความสุขต่างๆก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะแข็งแรงจะมีความสามารถที่จะรับใช้เราหาความสุขให้กับเราได้อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอทุกเวลานาที เพราะวันดีคืนดีเราก็อาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ได้อาจจะพิกลพิการไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้และกำลังจะแก่ลงไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะตายไปก็ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะ เตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้ไม่ประมาทนอนใจเพื่อที่เราจะได้รีบขวนขวายศึกษาและปฏิบัติสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้สอนให้พวกเราสร้างกันเถิดอย่ามัวแต่พึ่งสิ่งที่เป็นที่พึ่งชั่วคราวเลย เพราะเมื่อถึงเวลาที่มันพึ่งไม่ได้แล้วก็จะไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครในโลกนี้แม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ช่วยเราไม่ได้เวลาที่เราสูญเสียที่พึ่งทางร่างกายไปที่พึ่งทาง ล, า, ง า, ง า, งลาบยศสันนิษฐาทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเราจึงควรที่จะ ขวนขวายศึกษาวิธีสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงสอนให้โลกเรามันศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆ mm hmm. ตามการตามเวลา การเวลาก็หมายถึงเวลาที่เรามีเวลาว่างนั่นเองเวลาว่างก็คือเวลาที่เราไม่ต้องไปทำงานทำการไปทำภารกิจอะไรต่างๆในสมัยพุทธกาลจึงมีวันพระกันวันพระก็เป็นวันที่พวกเราว่างจากภารกิจการงานต่างๆเป็นวันที่ไปวัดกันได้ เพราะในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยโบราณเราต้องไปที่วัดเราถึงจะได้ศึกษาพราะธารมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีวิธีอื่นสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษาอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้จะเรียนอะไรต้องอาศัยการสอนจากปาก จากปากต่อปากอยากจะศึกษาพระธรรมคําสอนก็ต้องไปที่วัดจะไปได้ก็ไปในวันที่หยุดทํางานวันหยุดทํางานก็เรียกว่าวันพระนั่นเองอย่างนั้นสมัยพุทธกาลสมัยโบราณการฟังทำตามการตามเวลาก็คือการฟังทำในวันพระนี่เองวันที่หยุดทํางาน เพื่อเราจะได้ไปเรียนรู้วิธีสร้างที่พึ่งที่แท้จริงจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอริยสงสาวกก็ดีตอบมาสมัยสมัยปัจจุบันเรามีการศึกษากันเราอ่านออกเขียนได้กันพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีการบันทึก เป็นตัวอักษรบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกตอนนี้เราสามารถเข้าถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อยางสะดวกง่ายได้อยู่ในก ร, ร ม, มือของเราแล้วอยู่ในมือถือของเราเราอยากจะศึกษาพระธรรมคาสอนจากพระไตรปิฎกบทไหนคำพีไหนพระสูตรไหน เราสามารถเรียกขึ้นมาดูได้เลยเราอยากจะฟังเทศฟังธรรมของพระอริยบุคคลองใดเราก็สามารถเรียกขึ้นมาฟังได้เลยมีคำสอนของพระอริยบุคคลพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนที่พวกเรารู้จักให้ความเคารพนับถือ มีการบันทึกคำสอนของท่านในสื่อต่างๆในแผ่นซีดีในเทปเดีย๋ยวนี้ก็มีอยู่ในมือถืออยากจะฟังเทศครูบาอาจารย์รูปใดก็สามารถที่จะเรียกขึ้นมาฟังได้เลยพวกเราจึงถือว่ามีบุญมากมีวาสนามากมีบารมีมาก ที่ได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทุกเวลานาทีไม่ต้องรอวันหยุดทำงานไม่ต้องรอวันพระเราสามารถฟังเทศน์ฟังธรรมได้ทุกวันเราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันงามอันวิเศษนี้ให้หลุดมือไปเพราะถ้าเราได้ศึกษาอยู่บ่อยๆ อ, อยู่เรื่อยๆ เราจะได้รู้จากวิธีสร้างที่พึ่งที่แท้จริงแล้วถ้านำเอาไปปฏิบัติไม่นานเราก็จะได้มีที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งของเราไปตลอดเราจะไม่อยู่ป่าสะจากที่พึ่งอีกต่อไปถ้าเราได้ศึกษาวิธีสร้างที่พึ่งจากพระพุทธเจ้าก็ดี พระพุทธเจ้าตอนนี้ก็คือพระไตรปิฎกนี้เองคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกนี้ถือว่าเป็นคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าอ่านพระไตรปิฎกก็เท่ากับอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระโอษฐ์เลยหรือไม่เช่นนั้นเราก็ศึกษาคำสอน ของพระอริยสาวกต่างๆที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในสื่อต่างๆถ้าเราศึกษาอยู่เรื่อยๆแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะสามารถปฏิบัติได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สงสอนให้เราปฏิบัติจากขั้น ที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากตามลำดับแล้วเราจะสามารถก้าวขึ้นไปได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เหมือนกับที่ในโลกนี้มีการสอนให้เรียนจบปริญญาการจะเรียนจบปริญญาก็มีขั้นมีตอนให้เข้าโรงเรียนอนุบาลก่อน เมื่อจบอนุบาลก็เข้าสู่ขั้นประถมได้เมื่อจบขั้นประถมก็เข้าสู่ขั้นมัธยมพอจบขั้นมัธยมก็เข้าสู่ขั้นอุดมศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยแล้วไม่นานก็ได้รับปริญญาโดยกัรรับปริญญาโทกันรับปริญญาเอกกันเพราะเป็นวิธีที่จะพาให้ผู้ที่ ศึกษานั้นสามารถก้าวขึ้นไปได้ทีละขั้นทีละตอนไม่เหนือความสามารถของผู้ศึกษา <Yeah. S 1> พวกเราอย่าไปมองผลที่มันอยู่ไกลเช่นเวลาเราเริ่มอยู่ขั้นอนุบาลอย่าเราอย่าไปคิดถึงขั้นปริญญาเอกเพราะถ้าเราคิดถึงมาแล้วมันรู้สึกว่ามันห่างไกล เกินความสามารถของพวกเราแต่ถ้าเราคิดอยู่กับขั้นที่เรากำลังศึกษาอยู่เราศึกษาไปแล้วพอจบมันก็ก้าวขึ้นไปสู่อีกขั้นหนึ่งของมันเองโดยอัตโนมัติไม่ยากเย็นเลยการปฏิบัติทำรรการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสร้างที่พึ่งที่แท้จริงนี้เป็นขั้นเป็นตอน เหมือนกับการศึกษาระดับเพื่อระดับปริญญาตรีโทเอกก็เป็นการศึกษาที่เป็นขั้นเป็นตอนถ้าเราไม่มีความเกียจคร้านถ้าเรามีความเพียรพยายามศึกษาไปตามขั้นตามตอนเราก็จะเจริญขึ้นไปทีละขั้นและในที่สุดก็จะไปถึงขั้นสุดท้ายได้อย่างแน่นอนนี่คือ การเรียนเพื่อนาเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้สร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรถ้าทำตามขั้นตามตอนแต่ถ้าทำข้ามขั้นข้ามตอนนี้มันจะยากและจะทำไม่ได้เช่นถ้าเรายังไม่ได้เข้าอนุบาลเราจะไปเข้าขั้นปฐมนี้มันจะยาก กว่าผู้ที่ได้จบขั้นอนุบาลมาแล้วพวกที่ยังไม่ได้จบปถมจะไปเข้ามัธยมก็จะยากกว่าพวกที่จบขั้นปถมแล้วดังนั้นเราต้องใจเย็นๆเราต้องไปเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเราจะได้บรรลุผลได้สำเร็จเป้าหมายของการปฏิบัติของเรา อยู่ที่การทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นขั้นเป็นตอนขั้นที่หนึ่งท่านก็สอนให้เราทาทานกันขั้นที่สองก็ให้เรารักษาศีลกันขั้นที่สามก็ให้เราภาวนากันเฉนั้นเราต้องดูว่าเรามีความสามารถ ที่จะทำขั้นไหนได้บ้างอย่างไรไม่ใช่ว่าอยากจะทำขั้นที่ได้บุญเยอะๆได้ผลเยอะๆแต่ทำแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าความสามารถมีไม่พอเพียงดังนั้นเราต้องทำตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำขั้นแรกให้เราทำทานให้เราสละ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เราเหลือกินเหลือใช้ที่เราจะเอาไปซื้อที่พึ่งปลอมกัน เ, ออเงินทองนี้มีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งเราเอาไว้ซื้อของจำเป็นต่อการดารงชีพก็คือปัจจัยสีออ่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัย อย่ารักษาโรคอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องมีกันไม่เช่นนั้นร่างกายของเราจะอยู่ไม่เป็นปกติและอาจจะตายไปก่อนวัยอันควรได้ถ้าขาดที่พึ่งท่าขาดปัจจัยสี่อันนี้เราต้องมีด้วยกันทุกคนการทำอาหากินของเราเป้าหมายหลักก็คือ การหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเรานี้เองแต่เวลาเราหาเงินหาทองเราก็มักจะได้มากกว่าปัจจัยสี่ที่เราต้องการเราจะมีเงินเหลือจากการทำงานจากไรายได้ที่เราได้มาเราจะมีเหลือและเราก็จะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกกัน เอาไปใช้ในการสร้างที่พึ่งปลอมกันโดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีใครสอนเราถึงแม้เราจะเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมกันแต่เราไม่เคยคิดว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนเรื่องการสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรและสอนให้เราเลิกสร้างที่พึ่ง พร้อมกันเราก็เลยเอาเงินทองที่เราได้มาจากการทำมาอินที่เหลือจากการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเอาไปซื้อเอาไปสร้างที่พึ่งปรอมกันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะคิดว่าเป็นที่พึ่งจริงเพราะมันให้ความสุขกับเราเวลาเรามีเงินทอง แล้วเราใช้เงินทองไปตามความอยากต่างๆอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยวอยากเล่นอยากจะทำอะไรอยากจะซื้ออะไรพอเรามีเงินแล้วเราไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้มาเราก็มีความสุขกันแต่เราไม่ได้คิดอย่างรอบคอบว่าเงินทองที่เราหามานี้มันก็มีจำนวนจำกัด เวลามันหมดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากซื้อได้แล้วเวลาอยากจะซื้อเราซื้อไม่ได้แทนที่จะได้ความสุขก็เลยจะได้ความทุกข์มาแทนหรือสิ่งที่เราซื้อมาแล้วให้ความสุขกับเราถ้าเกิดหายไปหรือจากเราไปความสุขนั้นก็จะหมดไป ความทุก์ก็จะตามมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันเวลาที่เราเอาเงินทองไปซื้อที่พึ่งที่ให้ความสุขกับเราไม่รู้ว่าเปลี่ยนการไปซื้อที่พึ่งปลอมกันไปซื้อไปซื้อที่พึ่งที่ไม่สามารถให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนในขั้นที่หนึ่งนี้ว่า อย่าเอาเงินไปซื้อที่พึ่งปลอมกันอย่าเอาเงินไปเที่ยวเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นต่างๆของที่เรามีพอแล้วเช่นเสื้อผ้ามีพอแล้วก็อย่าไปซื้อมาเพิ่มของใช้ไม่สอยที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อมาอย่าเอาเงินไปเที่ยวทางตาหูจมกูกลิ้นกายไปดูไปฟังไปกินไปดื่ม ใบริมรสใบดมกลิ่น mm. การซื้อที่พึ่งเหล่านี้เป็นการซื้อที่พึ่งปลอมเป็นการซื้อที่พึ่งที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป mm. เวลาที่ที่พึ่งที่เราได้มามันหมดไป mm. หรือเวลาที่เราไม่มีเงินทองที่จะซื้อที่พึ่งต่างๆเหล่านี้ได้ mm. พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอาไป ซื้อที่พึ่งที่จริงดีกว่าคือเอาไปทำบุญทำทานการทำบุญทำทานนี้จะทำให้เราตัดความอยากต่างๆความอยากที่จะซื้อที่พึ่งต่างๆที่เป็นที่พึ่งปลอมเราจะได้หยุดซื้อที่พึ่งปลอมกันได้ด้วยการเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อที่พึ่งปลอมนี้เอาไปทำบุญทำทานแทน แล้วเราจะได้รับความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปซื้อที่พึ่งปลอมกันและจะไม่ได้รับความทุกข์เพราะว่าความสุขแบบนี้เวลาที่เราไม่สามารถที่จะทำบุญทำทานได้ก็จะไม่ทำให้เราเกิดความทุกข์เหมือนกับเวลาที่เราอยากจะ ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปทำอะไรตามความอยากแล้วพอเราไม่สามารถทำได้มันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่มีเงินทำบุญเราก็จะรู้สึกไม่เดือดร้อนอะไรไม่ทำบุญก็ไม่เป็นไรบุญที่เราทำมาเมื่อเราคิดถึงมันบุญเก่าที่เราคิดถึงมันมันก็ยังให้ความสุขกับเราได้อยู่มันไม่ได้ให้ความอยากกับเรา เหมือนกับความเหมือนกับของที่เราไปได้มาด้วยความอยากเวลาเราคิดถึงมันมันก็ทำให้เราอยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกอยากจะได้มากขึ้นไปอีกพอไม่ได้มันก็จะทำให้เราทุกข์ใจกัน <Yeah. S 1> ข้อที่หนึ่งนี้การทำทานเพื่อให้เราหยุดการใช้เงินทองไปซื้อที่เพึ่งปลอมกัน แล้วให้เรามาซื้อที่พึ่งจินกันก็คือความสุขใจด้วยการทำบุญทาทานต่อไปเราก็จะไม่ต้องใช้เงินไปซื้อที่พึ่งปลอมกันเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินไปซื้อที่พึ่งปลอมเราก็ไม่ต้องหาเงินมากกันเราก็จะมีเวลามากขึ้นมีเวลาที่เราจะมาศึกษา มาปฏิบัติวิสร้างที่พึ่งแท้ที่แท้จริงได้มากขึ้นถ้าเรายังใช้เงินทองซื้อของตามความอยากอยู่ใช้ตามความอยากอยู่เงินทองจะหมดไปอยู่เรื่อยๆจะไม่พอใช้อยู่เรื่อยๆเพราะความอยากจะใช้เงินทองไปตามความอยากมันจะไม่หมดมันจะมีโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราต้องไปหาเงินอยู่เรื่อยๆ หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดใช้หมดก็ต้องไปหาใหม่แต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากนี้ไปทำบุญหรือเก็บเอาไว้สำรองไว้สำหรับวันข้างหน้าเผื่อเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้มีเงินสำรองเอาไว้ใช้กับร่างกายของเราคือใช้กับปัจจัยสี่ใช้กับการซื้ออาหาร ซื้อยารักษาโรคจ่ายค่าเช่าที่พักอะไรต่างๆอันนี้เป็นวิธีใช้เงินทองที่ถูกต้องอย่าเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากต่างๆเพราะมันจะทำให้เราต้องหาเงินทองอยู่เรื่อยๆแล้วจะทำให้เราไม่สามารถที่จะศึกษาธรรมะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สูงกว่า ได้ไปตามลำดับเราก็จะไม่ได้ก้าวหน้าไปในการในการสร้างที่พึ่งที่แท้จริงเราก็จะติดอยู่กับการสร้างที่พึ่งปลอมไปตลอดชีวิตไปจนวันตายแล้วหลังจากที่เราตายไปแล้วยังไม่จบเรายังจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาสร้างที่พึ่งปลอมกันใหม่อีกต่อไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเรามีเงินทอง แล้วเราเอาเงินทองนี้ไปซื้อที่พึ่งปรอมกันไปใช้ให้ตามความอยากใช้เพื่อให้เราเกิดความสุขเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อเห็นอะไรอยากดูก็ซื้ออยากฟังก็ซื้อมีเงินก็ซื้อมันไปเรื่อยๆมันก็ให้ความสุขเราไปเรื่อยๆแต่พอเงินหมดความสุขก็หมดก็ต้องไปทํางานใหม่ไปหาเงินใหม่ ก็ต้องไปทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็เอามาใช้หมดหมดแล้วก็ต้องหาใหม่เพราะความอยากใช้เงินไม่มีวันหมดวิธีที่จะทำให้การใช้เงินมีวันหมดก็คือใช้ด้วยเหตุผลหามาหาเงินมาเพื่อมาใช้กับปัจจัยสี่ถ้ามีเหลือก็เก็บสำรองเอาไว้ถ้ายังมีเหลือมากกว่านั้นก็เอาไปทำบุญ ถ้าจะต้องเอาไปใช้ตามความอยากก็เอาไปทําบุญดีกว่าทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากก็เอาไปทําบุญแทนแล้วต่อไปการจะใช้เงินตามความอยากมันจะหายไปมันจะหมดไปล้วเราจะไม่ต้องใช้เงินมากเราจะใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นก็คือปัจจัยสี่ก็จะทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทํางานมาก ไปหาเงินมากเพราะเราจะมีเวลาที่จะมาศึกษาพระธรรมคําสอนและปฏิบัติพระธรรมคําสอนขั้นที่สูงขึ้นไปตามลําดับได้พอเราทําทานได้แล้วมันก็จะทําให้เรามีเวลาที่เราจะมารักษาศีลกันได้ถ้าเรายังต้องหาเงินหาทองอยู่ได้อยากจะได้มากๆอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆ เราก็มักจะต้องไปทำบาปกันต้องโกหกบ้างต้องช่อโกงบ้างก็จะทำให้เราไม่สามารถรักษาสีลได้แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินมากไม่ต้องหาเงินมากเพราะเราเก็บเงินไว้หรือเงินที่เราเรายึดเรางดการใช้เงินตามความอยากได้ด้วยการเอาเงินไปทำบุญทาทานแทน มันก็จะทําให้เรามีความอิ่มใจสุขใจเป็นความสุขใจอิ่มใจที่ไม่มีพิษมีภัยเหมือนกับเอาเงินไปซื้อตามซื้อของตามความอยากต่างๆที่มันมีพิษมีภัยเพราะมันจะทําให้เราอยากไปเรื่อยๆและเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจตามมาอ่นี่คือเรื่องของการทําทานที่เราจําเป็นจะต้องทํา ถ้าเราอยากจะมีความสุขที่ไม่มีโทษต้องเอาเงินไปทำบุญทำทานแทนที่จะเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆที่มีโทษตามมาที่จะทำให้เราติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราเอาเงินไปทำบุญนี้เราจะไม่ติดกับการทำบุญถ้าไม่มีเงินทำบุญเราก็หยุดทาได้เพื่อที่เราจะได้มา ก้าวขึ้นสู่บุญขั้นที่สูงกว่าจะ ก, การทำทานก็คือการรักษาศีลพอเราไม่ต้องหาเงินหาทองมากๆง่ายๆเร็วๆเราก็จะรักษาศีลได้เราจะไม่ต้องพูดโกหกเราจะไม่ต้องช่อโกงหรือเราไม่ต้องทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้นี่ก็เป็นขั้นที่หนึ่งที่เราต้องทำกันก็คือ ถ้าเราจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆเช่นไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกันไปกินไปดื่มกันไปซื้อของอะไรต่างๆกันเอาเงินเหล่านี้ไปทำบุญเถิดจะได้ประโยชน์จะได้ยุติการใช้เงินแบบไม่มีเหตุมีผลใช้เงินที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วจะต้องไปหาเงินแบบไม่มีวันสิ้นสุด และจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้เงินมามากๆง่ายๆเร็วๆพอเราเอาเงินที่ไปใช้ตามความอยากมาทำบุญใจจะอิ่มใจจะมีความสุขความอยากจะใช้เงินตามความอยากจะลดลงไปเรื่อยๆและหมดไปในที่สุดเมื่อหมดเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาเงินมาม า, มากๆง่ายๆเร็วๆ เ, เราก็หาตามปกติ หาโดยวิธีสุดจริญหามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองเราก็ไม่ต้องหามากเราก็จะมีเวลาที่จะได้มาศึกษาพราะธรรมคําสอนได้มากขึ้นและและปฏิบัติทำขั้นที่สูงขึ้นไปต่อไปได้สร้างที่พึ่งขั้นที่สูงขึ้นไปตามลําดับต่อไปได้ขั้นที่หนึ่งเราก็สร้างด้วยการทําทานเราก็ได้ที่พึ่ง ความสุขทางใจในระดับแรกมีความสุขใจอิ่มใจอยู่บ้านเฉยๆไม่ไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวแล้วเราก็จะสามารถรักษาศีลกันได้รักษาศีลห้าศีลห้านี่ก็เป็นที่พึ่งเพราะอะไรเพราะศีลห้านี้จะทำให้เราไม่ต้องไปรับ ผลกรรมที่เราทำเวลาที่เราไม่รักษาศีลกันถ้าเรายังทำบาปอยู่นี่ใจของเราจะร้อนจะวุ่นวายจะมีแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปใจเราจะเย็นจะสบายมีความสุขแล้วเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปรับกรรมในอบาย ถ้าเรารักษาศี่ห้าได้เราจะปิดประตูอบายได้เพราะอบายนี้ไปผู้ที่ไปอบายก็เพราะไปทําบาปกันนั่นเองไปทําบาปห้าข้อคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดิมสุรายาเมืองถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาปก็ไปเป็นเดลฉานถ้าทาบาปด้วยความโลภ ก็ไปเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็เป็นอว ส, สุลกายถ้าทําบาปด้วยความโกรธเกลีย ด, คยดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็ไปนรกถ้าไม่ทําบาปอบายทั้งสีนี้จะไม่เป็นที่ไปของผู้ที่รักษาศีลได้อันนี้ก็เป็นการสร้างที่พึ่งขั้นที่สองคือป้องกันไม่ให้เราไป ติดคุกติดตารางในโลกทิพนั่นเองให้เราอยู่เป็นมนุษย์ต่อไปหรือให้เราไปเป็นเทวดาถ้าเราได้ทำบุญด้วยได้รักษาศีลด้วยเราก็จะได้ไปเป็นเทวดากันได้มีที่พึ่งที่ดีกว่าที่พึ่งของมนุษย์เป็นมนุษย์นี้ก็มีความสุขน้อยกว่าการเป็นเทวดาอันนี้ก็เป็น ที่พึ่งขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็ให้ทาบุญทาทานขั้นที่สองก็มารักษาศีลห้ากันให้ได้พอเรารักษาศีลห้าได้ทีนี้เราก็สามารถที่จะขึ้นไปสู่ที่พึ่งขั้นที่สามได้ที่มีความสุขและมีความมีอายุยืนยาวนานกว่าที่พึ่งขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองที่พึ่งขั้นที่หนึ่งมีความสุขมีอายุยืนยาวนาน สูขั้นที่สองไม่ได้อายุของมนุษย์นี้สั้นกว่ามนุษย์ของอายุของเทวดาความสุขของมนุษย์ก็น้อยกว่าความสุขของเทวดาแล้วความสุขขั้นที่สามคือขั้นของพรหมก็มากกว่าความสุขของเทวดาและยาวกว่าและนานกว่าความสุขของพรหมอของเทวดาของมนุษย์การที่เราจะไปขึ้นสู่ขั้นพรหมได้นี้ เราจำเป็นที่จะต้องก้าวขึ้นสู่การศึกษาการปฏิบัติขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนาเราต้องภาวนาภาวนานี้ก็แบ่งเป็นสองขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสามถะภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาขั้นที่หนึ่งนี้สมถะภาวนาก็คือการ ทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งเป็นฌานนั่นเองการที่เราจะมาทำสมาธิทำสมถะภ า, าวนาได้เราต้องมีเวลาและสิ่งที่จะทำให้เรามีเวลามาปฏิบัติก็คือการถือศีลแปดนั่นเองถือศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยิบเจ็ดนี้จะทำให้เราต้องยุติงดกิจกรรมอย่างอื่นไป กิจกรรมทางร่างกายทางกามทางตาหูจมกูกลิ้นกายที่เป็นกิจกรรมของมนุษย์และเทวดาไปผู้ที่ต้องการจะไปเป็นพรหมนี้จะไม่เสพกามจะต้องยุติการเสพกามคือเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลถะเพจึงจำเป็นจะต้องถือศีลแปดถึงจะสามารถมีเวลาที่จะมาจะเจริญสติเพื่อทําให้จิตสงบ เป็นสมาธิขึ้นมาได้เรียกว่าสมถภาวนาผู้ที่จะเจริญสมถภาวนาจึงต้องมีศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนศีลห้ายังไม่มีกำลังพอที่จะสนับสนุนการภาวนาได้เพราะศีลห้ายังไม่ได้ห้ามให้เสพกามนั่นเองศีลห้ายังให้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้เพียงแต่ต้องเป็นสามี เป็นภรรยาของตนเท่านั้นแต่สีนแปดนี้ห้ามเลยห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนแม้จะเป็นสามีเป็นภรรยาให้เอาเวลาที่จะร่วมหลับนอนกันนี้มาภาวนากันมาเจริญสมถะภาวนานี่คือสีนแปดสีลข้อที่สามก็เปลี่ยนจากการประพฤติผิดประเวณีมาเป็นพรหมจรรย์คือการไม่เสพการการไม่ร่วมหลับนอนกัน แล้วก็เพิ่มศส้นข้อที่หกไม่ให้กินมากเกินไปไม่ให้หาความสุขจากการกินให้กินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินกินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอกินเหมือนกินยากินยาก็กินตามเวลากินตามที่ร่างกายต้องการวันละมื้อสองมื้อก็พอไม่เกินเที่ยงวันนี้ก็พอแล้วสําหรับการรับประทานอาหาร เพื่อจะได้มีเวลาเอาไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างไม่ต้องมามีอะไรมาขัดจังหวะได้ยังกินอาหารเย็นอยู่เดี๋ยวไปเดินกินอาหารเที่ยงเสร็จอพอจะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเดี๋ยวก็กังวลเรื่องอาหารเย็นขึ้นมาก็จะต้องมาเตรียมอาหารมาคอยหาอาหารกินกันอีกแต่ถ้าถือศีลแปดแล้วก็ไม่ต้องกังวลหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว เรื่องของอาหารหมดไปแล้วเวลาเดินโจกรมนั่งสมาธิก็เลยไม่ต้องมากังวลถ้าเป็นรถไฟก็ไม่ต้องคอยจอดวิ่งไปแบบไม่ต้องจอดตามสถานีต่างๆการภาวนาก็จะต่อเนื่องแล้วก็จะได้ผลถ้าภาวนาไม่ต่อเนื่องนี้มันจะไม่ได้ผลหรือได้ก็ได้น้อยหรือได้ช้ากว่าการภาวนาที่ต่อเนื่องอออเราจึงต้อง งดเว้นการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็งดข้อที่เจ็ดก็งดการเสพ ร, รูปเสียงเกิ่นลดทางตาหูจมูกเล่นกายเช่นดูภาพยนตร์ฟังเพลงร้องลําทําเพลงไปงานเลี้ยงงานบันเทิงอะไรต่างๆไปแหล่งท่องเที่ยวแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยเครื่องเสื้อผ้าอาภร์ด้วยเครื่องสําอางด้วยน้ํามันน้ําหอมอะไรต่างๆ ก็ต้องตัดไปหมดจะได้มีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสัมมาทิพปาณาใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาให้เป็นขมขึ้นมาให้เป็นฌานขึ้นมา mm hmm. แล้วก็ไม่นอนมากเกินไปวิธีไม่นอนมากก็คือไม่อย่าไปนอนบนฟูกหนาะๆนะนะเตียงใหญ่ๆให้นอนบนพื้นแข็งๆเพราะว่า เวลาร่างกายเหนื่อยนี่ร่างการนอนที่ไหนก็ได้แล้วเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาถ้านอนบนพื้นแข็งๆก็จะไม่นอนต่อเพราะมันไม่สบายพอได้พักผ่อนพอแล้วร่างกายก็จะตื่นขึ้นมาก็จะได้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อได้ถ้านอนบนเตียงนะเตียงใหญ่ๆฟูกนนหนาๆพอร่างกายได้พักผ่อน พอตื่นขึ้นมาก็จะไม่ลุกจะไม่อยากลุกเพราะมันสบายก็จะนอนต่อไปอีกสองสามชั่วโมงหรือสามสี่ชั่วโมงเลยไม่ได้ภาวนาอันนี้คือหน้าที่ของศีลแปกให้เราหยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้งกายหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาความสุข หาที่พึ่งทางใจที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงต่อไปนั่นเองเนี่ยร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจนี้ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายความสุขที่ได้ในใจมันก็จะไม่สูญหายไปเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายแต่ความสุขที่ได้ทางร่างกายนี้มันจะต้องสูญไปกับการแก่การเจ็บการตายของร่างกาย เราจึงต้องมาเปลี่ยนวิธีสร้างที่พึ่งกันใหม่อย่าไปสร้างที่พึ่งชั่วคราวมาหันมาสร้างที่พึ่งที่ถาวรในขั้นที่สามก็คือให้เรามาภาวนากันมาเจริญสติเราต้องควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดไม่ได้จิตจะไม่นิ่งจะไม่สงบจะไม่มีความสุขจะไม่เป็นฌาน ถ้ามีสติควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้จิตจะนิ่งจิตจะสงบจิตจะมีความสุขจิตจะเป็นฌานจิตก็จะกลายเป็นพรมขึ้นมาพรมนี้ก็คือจิตที่มีฌานนี้เองฌานนี้ก็มีอยู่แปดขั้นด้วยกันแบ่งเป็นสองส่วนรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ผู้ที่ได้รูปฌานสี่ก็จะได้เป็นพรมที่เรียกว่ารูปประพรม ผู้ท <Metroid> ี่ได้ฌานอรูประฌานสี่ก็จะได้เป็นอรูปประรมผลพรมที่มีความละเอียดมีความสุขมีอายุที่ยืนยาวนานกว่าพรมที่กว่ารูปประพรมรูปประรมนี้ก็มีความสุขมากกว่าเทวดามีอายุยืนยาวนานกว่าเทวดาเทวดาก็มีความสุขมากกว่ามนุษย์แล้วก็มีอายุยืนยาวนานกว่ามนุษย์ นี่คือที่พึ่งระดับต่างๆแต่ยังเป็นที่พึ่งไม่ถาวรที่พึ่งเหล่านี้ยังเป็นที่พึ่งที่จะต้องเสื่อมเหมือนกับที่พึ่งของของมนุษย์ที่พึ่งของมนุษย์หมดไปตอนที่ร่างกายตายไปพอร่างกายตายไปใจก็ไม่สามารถพึ่งร่างกายเป็นที่พึ่งได้อต่อไปฉะนดัดพวกเทวดาเวลาบุญหมดก็จะต้องเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ พวกพรมพอบุญเสื่อมลงก็จะลงมาเป็นเทวดาจากเทวดาก็จะลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาสร้างที่พึ่งกันใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นสร้างที่พึ่งทางใจแต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่แท้จริงการที่จะสร้างที่พึ่งที่แท้จริงหรือที่ถาวรได้นี้จะต้องปฏิบัติภาวนาขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนา หลังจากที่ได้ที่พึ่งขั้นที่หนึ่งแล้วคือความสงบแล้วจําเป็นจะต้องสร้างที่เพึ่งขั้นที่สองจำเป็นที่จะต้องสร้างที่พึ่งที่ถาวรด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาถ้าเราสามารถเจริญวิปัสสนาภาวนาได้เราจะสามารถรักษาสมถภาวนาคือผลที่เราได้จาก การจเจริญสัมมาทิพวนาคือความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ให้เสื่อมได้สิ่งที่ทำให้จิตเสื่อมจากความสุขระดับต่างๆก็คือความอยากทางกามนี้เองทางอยากความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความอยากมีอยากเป็นหรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่จะทำให้ความสุขที่เราได้สร้าง นี้เสื่อมลงมาจากพรมมาเป็นเทพจากเทพมาเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่อยากจะให้จิตของเราเสื่อมลงมาอยากจะให้สูงขึ้นไปกว่าพรมเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาอันนี้เป็นการภาวนาต่อเนื่องจากสมถะภาวนาข้ามขั้นไม่ได้อย่าข้าม ถ้ายังไม่มีส ม, มถาภาวนาไปวิปัสนาภาวนาไม่ได้เนีเพราะมันจะไม่เป็นผลมันจะทําไม่ได้ผลทําได้แต่จะไม่ได้ผลวิปัสนาภาวนานี้มีเพื่อที่จะทําลายความอยากต่างๆที่จะมาทําลายที่พึ่งทางใจให้หมดไปคือทําลายความสงบความสุขที่ได้จากส ม, มถาภาวนาเราจะต้องใช้วิปัสนา อภิปัฏนาคือปัญญาความรู้ที่รู้ว่าที่เห็นว่าความสงบความสุขที่ได้จากการภาวนานี้ที่จะหายไปก็เพราะความอยากนี้เองความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเวลามันโผล่ขึ้นมามันจะทาให้ความสงบนี้หายไปทาให้ใจหิวขึ้นมาทันทีจะ ถ้าเรารู้เราก็วิธีที่จะทำให้เราหยุดมันได้ก็คือเราก็ต้องใช้ความรู้นี่แหละว่าการไปทำตามความอยากนี้จะทำให้เราต้องทำอยู่เรื่อยๆความอยากนี้จะไม่ทำให้เรามีความสุขไปตลอดความสุขจะจะอยู่ตลอดไปได้ต้องไม่มีความอยากมาทำลายฉังนั้นเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็อย่าไปทำตามความอยาก ด้วยการมองสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นที่พึ่งชั่วคราวอยากดูได้ดูแล้วก็เกิดความสุขพอดูเสร็จมันก็หายไปก็ปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ต้องไปดูอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ดูก็เหงาก็เศร้าให้คิดอย่างนี้แล้วจะทำให้เราเวลาเกิดความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นก็จะได้ ไม่ไปทําตามความอยากวิธีที่ไม่ทําตามความอยากก็คือให้ใจเราเฉยๆอย่าไปทําตามความอยากให้เราอยู่กับความสงบที่ได้จากสามถะภาวนานี้ต่อไปรักษาสามถะภาวนาทำใจให้นิ่งๆเฉยๆไปอย่าไปทําตามความอยากแล้วเดี๋ยวความอยากมันก็จะหายไปมันจะหมดไปแล้วมันก็จะไม่มาคอย ทำลายความสงบที่เราได้จากสามถภาวนาไปต่อไปความสงบที่เราได้จากสามถภาวนาก็จะสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าความอยากต่างๆที่จะมาทำลายมันได้ถูกกำจัดด้วยวิปัสสนาภาวนาด้วยถูกกำจัดด้วยปัญญาคือความจริงที่เห็นว่า ความทุกข์ความไม่สบายใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆนี้เองถ้าอยากจะให้ความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆหายไปอยากให้ใจสงบมีความสุขก็ต้องไม่ทําตามความอยากถ้าทําตามความอยากความอยากจะกลับมาคอยรบกวนใจอยู่เรื่อยๆถ้าฝืนความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้ต่อไปความอยากจะไม่กลับมารบกวนใจอีกต่อไป เมื่อไม่มีความอยากมารบกวนใจใจก็จะสงบไปตลอดให้ความสุขกับใจไปตลอดนี่เลยเป็นความสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรเป็นที่เป็นที่พึ่งที่ถาวรขึ้นมาในที่สุดต้องผ่านขั้นตอนการสร้างที่พึ่งขั้นต่างๆขึ้นมาตามลําดับสร้างที่พึ่งจากการทําบุญทําทานก่อน แล้วก็สร้างที่พึ่งจากการรักษาศีห้าไม่ทําบาปก่อนเสร็จหลังจากนั้นก็มาสร้างที่พึ่งทางสมถะ ภ, ภ, ภาวนาด้วยการรักษาศีแปดหรือศีสิบหรือศีสองร้อยยี่สิบแล้วก็หมั่นเจริญสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดต่างๆให้ได้แล้วก็นั่งเฉยๆนั่งหลับตาเพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบได้อย่างเต็มที่ใจก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็น เป็นอารมณ์เดียวเป็นไอคกตารมเป็นสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเป็นความสุขอย่างยิ่งพอได้ความสุขอย่างยิ่งจากสมถภาวนาก็ให้เจริญปัญญาเวลาเกิดความอยากอยากได้อยากดูอยากฟังก็สอนใจว่าอย่าไปทำตามทำแล้วมันจะทำลายความสงบความสุขที่ได้จากสมถภาวนาไป แล้วความอยากมันจะไม่หมดมันจะกลับมารังควานเราอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะไม่ให้มันกลับมารังควานเราเราอย่าไปทำตามมันท่านั้นเองมันอยากดูก็อย่าไปดูอยากฟังก็อย่าไปฟังอยากเที่ยวก็อย่าไปเที่ยวถ้าเราฝืนมันได้ต่อไปมันจะไม่กลับมารบกวนเราอีกเมื่อมันไม่รบกวนแล้วใจของเราก็จะสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดให้ความสุขกับเราไปตลอด ความทุกข์ต่างๆจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาในใจได้เลยเพราะต้นเหตุของความทุกข์นั้นได้ถูกกำจัดไปหมดแล้วด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี้เองด้วยการเจริญสมถะภาวนาด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาถ้าเรามีทานศีลภาวนาเราจะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มาคอยทำลายความสงบความสุขของใจ พอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขไปตลอดนี่แหละคือที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่ถาวรที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายไ ด, าได้สร้างกันได้สร้างกันได้สําเร็จเรียกว่าพระนิพพานคือใจที่สงบใจที่ปราศจากตัณหาความอยากต่างๆที่จะมาคอยกวนใจ ที่จะมาคอยสร้างความหิวความโหยความต้องการต่างๆที่จะมาทำลายความสุขที่ได้รับจากความสงบของสมาธิไปพอมีวิปัสสนาแล้วมันจะไม่ทําตามทันทีอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟังอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวอยากจะร่วมหลับนอนกับใครก็ไม่ร่วมหลับนอน ถ้าจะทําก็ทําสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นเช่นถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนแต่ไม่ทําอะไรอย่างอื่นต่อไปความอยากต่างๆจะไม่ทําตามมันพอไม่ทําตามมันต่อไปมันก็หายไปหมดความอยากมันหายเพราะเราไม่ทําตามมันดูตัวอย่างเวลาอยากจะสูบบุหรี่ถ้าเราสูบมันก็อยากจะสูบไปเรื่อยๆอยากสูบมวนนี้พอได้สูบมวนนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากสูบมวนใหม่เอ สูบ ป, e. <m ach ian> ปีมวลก็ความอยากก็ไม่หมดแต่ถ้าอยากสูบมวลนี้แล้วเราไม่สูบฝืนมันไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปเองมันหมดเพราะเราไม่ไปทําตามความอยากจะไม่ทําตามความอยากได้ใจของเราต้องมีความสงบถึงจะสู้ความอยากได้ถ้าไม่มีความสงบใจจะสัน่นใจจะดิ้นแต่ถ้ามีความสงบมีสมัติ มีสมาธิมีสติควบคุมใจให้สงบใจจะไม่ดิ้นใจจะไม่สัน่นใจจะไม่ทุกเวลาที่ฝืนความอยากอย่างนั้นจึงต้องมีสมาธิก่อนต้องมีสติก่อนถึงจะสามารถไปสู่ขั้นวิปัสสนาเพื่อที่จะหยุดเพื่อที่จะฝืนความอยากได้แล้วต้องมีปัญญาสอนใจว่าทำไม ถ, ถึงต้องหยุดความอยากเพราะความอยากนี้เป็นตัวพิษตัวภัย ตัวที่มาก่อกวนสร้างความวุ่นวายใจสร้างความทุกข์ให้กับใจตัวที่ดึงใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดก็คือความอยากนี้เองและสิ่งที่อยากได้ก็ไม่เที่ยงได้มาแล้วก็จะทำให้เราทุกข์เราห้ามมันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นความสุขชั่วคราวเป็นที่เพึ่งชั่วคราวนั้นอย่าไปอยากอย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา เพราะมันเป็นความที่พึ่งชั่วคราวมันจะทำให้เราต้องทุกข์ต่อไปนี่คือวิปัสสนาภาวนาคือปัญญาสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงแล้วความอยากได้สิ่งต่างๆเหล่ า, านี้ก็เป็นตัวที่จะทำให้เราต้องวุ่นวายใจอย่างไม่มีวันสิ้นสุดทุกครั้งที่อยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ต้องหยุดมัน เมื่อเราหยุดมันได้ต่อไปมันก็จะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปใจเราก็จะอยู่อย่างสงบไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราววุ่นวายใจอีกต่อไปนี่คือเรื่องของเรื่องของการสร้างที่พึ่งที่แท้จริงสร้างที่พึ่งที่ถาวรเราต้องมาเปลี่ยนการสร้างที่พึ่งกันใหม่ตอนนี้เรายัง อาศัยที่พึ่งปลอมกันอยู่ที่พึ่งชั่วคราวอาศัยลาบยศสรรเสริญอาศัยความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายมาให้ความสุขกับเราพอเวลาที่เราขาดมันเมื่อไรความสุขที่ได้จากมันก็จะหายไปเวลาขาดเงินไปนี่ความสุขก็หายไปเวลาพ้นตาแหน่งไปความสุขจากการมีตาแหน่งใหญ่โตก็หายไป เวลาไม่มีใครเขายกย่องสรรเสริญเยนยอความสุขนั้นก็จะหายไปเวลาที่ไม่ได้ไปเสพลูกเสียงกลิ่นลดผลถ้าความสุขนั้นก็จะหายไปและมันจะต้องหายไปเพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือใช้ในการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยเรื่อยมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและมันจะต้องตายไป มันจะไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้กับใจได้ต่อไปดังนั้นเราต้องเห็นภายในการหาความสุขผ่านทางร่างกายว่ามันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปดังนั้นให้เราพยายามเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันด้วยการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นขั้นเริ่มต้นก่อนมันมาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะ หนังสือธรรมะดูอยู่เรื่อยๆสมัยนี้ไม่ต้องรอวันพระสมัยนี้เราดูหนังสือธรรมะฟังธรรมะได้ทั้งวันทั้งคืนมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ศึกษาไปก่อนถ้ายังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างหรือทําอะไรทําเพื่ออะไรก็ต้องหมันฟังฝันศึกษาไปพอเรารู้แล้วว่าทําเพื่อตัดความอยากทําเพื่อเลิกการหาที่พึ่งที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริง ทำเพื่อมาสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรเราก็จะได้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติที่จะทำบุญทำทานที่จะรักษาศีลที่จะภาวนากันพอเราได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วใจของเราก็จะได้พบกับที่พึ่งที่แท้จริงที่จะอยู่กับใจไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของการมา ศึกษามาฟังเทศฟังธรรมวันนี้มาฟังแล้วก็เราก็จะได้รู้จักแล้วว่าตอนนี้มีที่พึ่งอยู่ในโลกนี้สองชนิดด้วยกันที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่ถาวรกับที่พึ่งปลอมที่พึ่งชั่วคราวตอนนี้เรากำลังมีที่พึ่งแบบไหนกันถ้ามีที่พึ่งแบบชั่วคราวก็รีบเปลี่ยนเสียเปลี่ยนมาสร้างที่พึ่งที่แท้จริงดีกว่า เหมือนกับเวลาเราสร้างบ้านถ้าสร้างกระตอบมุงด้วยใบไม้กับสร้างตึกนี้เราจะเอาสร้างบ้านแบบไหนกันเราก็ต้องเลือกสร้างตึกกันดีกว่าเพราะเรารู้ว่าตึกนี่มันทาวรอนกว่ามั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าถ้าสร้างกระตอบด้วยใบใบหญ้าใบจากเกิดลมพัดมาแรงๆมันก็พังได้อันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เรากาลัง สร้างที่พึ่งปลอมกันสร้างที่พึ่งชั่วคราวกันเราควรที่จะหันมาสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรกันคือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้ปฏิบัติทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแล้วรับรองได้ว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุด การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกบปติอิจิตังปะทิตังตมหงังกิปะเมวะสมมิจโต สัเพปเรนตุสังกปาจันโทปันาราโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีฤทสะนิจจัง พุทาปจายโนจตาโรธมมมวทานติอายุวันโอสุขังภาลาังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ถามได้จนถึงเราเลิกประชุมหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ห้ามถาม ถ้าไม่อยากถามด้วยตนเองก็ให้เขียนใส่กระดาษมาแล้วมีผู้ที่จะอ่านคำถามให้เอาขึ้นมาได้เลยขึ้นมาขึ้นมาวันนี้ทาง YouTube Facebook เป็นยังไงบ้างน้ำกัดในพิธการพิธีารครับวันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมดสามร้อยสา u ส e บสองคนททั้งหมดหนึ่ง้อยสิบสองคนวิทยุออนไลน์ทั้งหมดยี่สเคนผู้ที่รับฟังบนเขาวันนี้ร้อยห้าสิบคนรวมทั้งหมดห1 5้อยสิบห้าคนครับผม มีคําถามเข้ามาเชิญถามได้พูดใกล้ๆมาหน่อยนกมาศการครับพระอาจารย์ครับอขอโอกาสถามเรื่องการเดินจุ ก, กมครับพระอาจารย์ก็อยากให้พระอาจารย์ อ, อธิบายว่ามีวิธีการเดินจุ ก, กมอย่างไรครับให้มันให้ให้สําำลิจผลนะครับแล้วก็ต้องเดินเวลาไหนหรือว่าต้องเดินท่าทางอย่างไรอะไรตัวน้องนี้ครับ อ๋การเดินจงกรมก็เป็นการฝึกสติอีกวิธีหนึ่งฝึกสมาธิอีกวิธีหนึ่งเรานั่งนานๆเราเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินนั้นจะเดินกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เราเดินเดินไปเดินมาก็ให้เดินแบบมีสติพุทโธพุทโธไปเท่านั้นเองเดินมากเดินน้อยต้องการจะเดินเมื่อไหร่เวลาไหนอยู่ที่เราถ้าเรานั่งเราเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินเดินเมื่เมื่อยล้วก็กลับไปนั่งก็มีเท่านั้นแหละ ไม่เห็นมีอะไรที่จะพิสดารไปกว่า น, นี้เร่เองแต่ยงคิครับพูดใกล้ใกล้กลากลาปากเลยพระอาจารย์ครับเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเกิดการปวดเมื่อยอย่างเนี้ยเราสามารถขยับอื้นยี่บทได้ไหมครับถ้าขยับมันก็เริ่มต้นใหม่เราต้องการนั่งเพื่อปล่อยความเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปขยับถ้าเดี๋ยวใจเราสงบมันก็จะไม่ลบกวนใจเราเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้ ถ้าเราขยับเราก็ต้องขยับไปเรื่อยๆต่อไปเวลามันขยับไม่ได้อย่าทำยังไงมันก็ทรมานเวลาเจ็บแล้วมันขยับแล้วไม่หาย่ยาทำยังไงเราอย่าไปขยับร่างกายมาขยับใจมาทำใจให้มันนิ่งอย่าให้ใจมันขยับถ้าใจมันนิ่งแล้วต่อไปมันจะไม่ทรมานกับความเจ็บคาถามแรกจากทางอินบ็์ครับจากคุณวาสนาครับรบกวนสอบถามนะคะ เข้าใจว่าระหว่างนี้ต้องฝึกปฏิบัติตอนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราฝึกเพื่อเข้าใจเกิดแก่เจ็บตายและความไม่เที่ยงไม่มีตัวตนตอนที่เราตายเราไม่มีร่างกายจิตเราจะยังพัฒนาอยู่ได้ไหมคะหรือจะต้องเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะปฏิบัติได้ช่วงที่ไม่มีร่างกายมันเป็นช่วงที่รับผลบุญผ ล, ผลบาปมากกว่าโอกาสที่จะสร้างบุญโอกาสที่จะปฏิบัติมันไม่มีเหมือนตอนนอนหลับ เวลานอนนอนหลับเราทำอะไรไม่ได้มีแต่ฝันเวลาตื่นขึ้นมาถึงจะทำอะไรได้เวลามีร่างกายถึงจะปฏิบัติได้เวลาไม่มีร่างกายก็ปฏิบัติไม่ได้นอกจากอยู่ในช่วงที่มีพระพุทธเจ้าที่ติดต่อกับเราทางจิตได้เป็นเทวดาแล้วพระพุทธเจ้าแสดงทำสอนเราเราก็ปฏิบัติในขณะที่เราฟังทำไปได้ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับถ้าคนในครอบครัวของเรามักมองเห็นแต่ข้อผิดพลาดของคนอื่นชอบตําหนิคนอื่นเราควรทําอย่างไรคะและชอบบังคับให้เราเป็นแบบที่เขาต้องการโดยออกคําสั่งว่าควรทําแบบนั้นแบบนี้โดยที่บางเรื่องเราไม่อยากทําเขาสั่งเราถ้าเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ไม่ต้องทําตามถ้าเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทาตามก็ทําไป ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรก็ไม่ต้องทําตามส่วนเรื่องการเห็นความผิดของผู้อื่นนี่เป็นธรรมชาติของคนมีกิเลส ด, ด้วยกันพระท่านได้แสดงไว้ว่าความผิดของคนอื่นแม้เท่าเป็นผงธุลีก็เป็นเหมือนกองภูเขาเส่วนความผิดของตนเองแม้จะเป็นกองภูเขาก็เหมือนผงธุลีนี่คื อ, อนิสัยของคนที่มีกิเลสจะมองคนแบบนี้จะมองคนอื่นเลวกว่าตนเองเสมอ แต่ทางตนกังข้ามความดีของผู้อื่นแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็เหมือนผงทุเรส่วนความดีของตนแม้จะเป็นเพียงผ ง, ผงทุเรก็เห็นเป็นกองภูเขาขึ้นมาถึงจะมักคิดว่าตนเองนี่ดีอยู่เรื่อยๆคนอื่นนี่เลวอยู่เรื่อยๆนี่คือมองแบบกิเลสมองไม่ได้มองตามหลักความเป็นจริงคําถามต่อไปจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์ครับจากพระพิธีวัดครับ นมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากประพฤติวินัยข้อการรับเงินให้ถูกต้องตามวินยัยแต่ทางวัดที่จำพรรษาอยู่ไม่ได้ทำให้ถูกต้องผมจึงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ในการวางใจเรื่องนี้ครับเพราะทำให้ผมจิตเพราะทำให้จิตผมไม่ค่อยสบายใจเลยครับหลักที่ผมคิดไว้คือทุกครั้งที่มีการรับเงินมาผมจะรับเงินโดยไม่ใช้เงินนี้ แต่จะเก็บเงินไว้เพื่อรอสละไปให้พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือทำบุญผิดถูกอย่างไรขอพระอาจารย์แนะนำด้วยครับอ่ไม่รู้จะแนะนำยังไงก็อยู่ที่ไหนอยู่เข้าเมืองหลิวก็หลิวตาตามมันก็หมดปัญหาไปถ้าหลิวไม่ได้ก็เปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นแหละคำ ถ, ถามต่อไปจะพูดรับฟังบนข่าวครับจิตหนึ่งเกิด จิตหนึ่งดับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันห้ามใจบ่ได้เจ้าค่ะขอแค่ฟ้องหน่อยเจ้าค e ่ะเบื่อจิตตัวเองมากๆก็ไม่มีสติคอยหยุดมันไงต้องสร้างสติขึ้นมาจิตเหมือนรถยนต์เดี๋ยวก็ฉลับไปทางซ้ายเดี๋ยวก็ฉลับไปทางขวาถ้าไม่มีเบรกมันก็จะวิ่งออกนอกลู่นอกทางไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีเบรกเวลามันจะฉลับไปนอกลู่นอกทางก็หยุดมันได้ อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดีมันจะถูกจิตควบคุมได้อารมณ์ดีก็ปล่อยมันไปอารมณ์ไม่ดีก็หยุดมันถ้ามีสติยังหนังมาฝึกสติพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าคิดมากยิ่งคิดมากอารมณ์จิตยิ่งยิ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้มากอารมณ์ยิ่งจะเสียได้มากนั้นอย่าคิดหยุดความคิดแล้วอารมณ์จะดีจิตจะนิ่งจิตจะสถียนจิตจะเป็นกลาง คำถามต่อไปจากคุณสันติชัยครับผมอยากทราบว่าความสำคัญของงานปริวาดกรรมคืออะไรและการบวชชีพราหมณ์สามารถชำระสินได้เหมือนพระพิสุทสงฆ์ได้หรือไม่โปรดชี้แนะด้วยครับงานปริวาดนี้เป็นงานของพระเป็นการทำโทษพระพระทำผิดศีลข้อที่ร อ, องจากปราชิกที่เรียกว่าสังขาริเศษ ก็ต้องอยู่กรรมอยู่กรรมก็คือติดคุกคือถูกจองจำแยกไม่ให้อยู่กับพระรูปอื่นเจ็ดวันด้วยกี่วันให้ไปอยู่เงียบๆคนเดียวสงบสติอารมณ์เรียวกว่าปริวาสกรรมไม่ใช่กิจกรรมที่น่ามาประกาศชวนเชิญชาวบ้านมาทำบุญอะไรนีน่กลับไปคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีพระไปปีกวิเวกไปติดคุกไปอยู่นั่งสมาธิในคุก ออกจากปริวาสมาก็เลยมาเลี้ยงฉลองต้อนรับคนออกจากคุกเข้าใจไผู้ที่ไปทาปริวาสกรรมก็คือผู้ที่ไปติดคุกเพราะทำผิดพระวินัยข้อสังคารดิเศสที่ลองจากประราชิกประราชิกนี้ถ้าผิดก็ตัดหัวเลยคือศึกเลยแต่ปริวาสแต่ถ้าเป็นสังคารดีเศสนี่ลองลงมาก็เท่ากับจำคุกตลอดชีวิตไม่ประหารชีวิตก็ให้ไปติดคุกใช้กรรม พอหมดกรรมแล้วถึงจะกลับมาอยู่ตามปกติกับคณะสงฆ์ได้งั้นการไปอยู่ปริวาสกรรมก็คือการไปติดคุกของพระสงฆ์องค์เจ้าส่วนอะไรนะการข้อที่สองบวชอะไรเนี่ยและการบวชชีพราหมณ์สามารถชำระสิงได้เหมือนพระพิสุธสงค์ได้หรือไม่ก็แล้วแต่ว่าเราจะชำระไม่ชำระการบวชนี้มันไม่แน่เขาจะชำระบวชแล้วแอบไปกินเหล้าก็ได้ โกหก็ยังโกหกได้แอบกินข้าวเย็นก็ได้เพรามันจะชำระไม่ชำระมันอยู่ที่ว่าเราทําตามศีลที่เราลักเรารักษาศีลได้หรือเปล่าจะรักษาศีลของพระหรือของคารวะามันก็เป็นศีลเหมือนกันรักษาได้ก็ชำระได้รักษาไม่ได้ก็ชำระไม่ได้คําถามต่อไปจากคุณมนคําครับถามค่ะว่าซื้อไข่ไก่มาทํากับข้าวผิดศีลข้อหนึ่งไหมคะ เคยถามว่านะไข่กายนี้แล้วแต่ว่ามันฟักได้หรือเปล่าถ้าฟักได้มีตัวก็ผิดแต่ถ้ามันไม่ฟักฟักไม่ได้ไม่มีตัวแล้วก็ไม่ผิดสิ่งนะ <c oughs> ก็ต้องถามที่ร้านเขาก่อนว่าเป็นไกแบบ่แบบไหนไข่แบบไหนไข่ฟักหรือไข่ไข่ไม่ฟักคำ ถ, ถามต่อไปจากทาง youtube ครับจากคุณเบนเน่ครับก่อนที่เราจะสิ้นใจควรตั้งสติอย่างไรคะถึงจะได้พบภูมิที่ดีคะ่ะ อ๋อถ้าไปตั้งตอนนั้นก็ไม่ทันนั่นแหละเหมือนจะสอบพรุ่งนี้ค่อยก็พรุ่งนี้ค่อยดูหนังสือก่อนจะเข้าห้องสอบมันไม่ทันการแล้วถ้าจะตั้งตั้งตัวตั้งตั้งตาตอนนี้ยังตั้งแต่ยังไม่ตายตั้งสติให้สงบอยู่เรื่อยๆควบคุมความคิดพุทโธไปเรื่อยๆต้องหัดทําพุทโธไปตั้งแต่บัดนี้พอถึงเวลาตายจะได้ทําพุทโธเป็นถ้าเราทําพุทโธเป็นเราก็จะไปอย่างสงบ แต่จะมาตั้งตอนตายไม่ได้หรอกตอนตายมันจะตกใจแล้วมันไม่มีสติสตังที่จะมาพุทโธแล้วตอนนั้นมันมีแต่กลัวตายกลัวตายอย่างเดียวไม่อยากตายอย่างเดียวคำถามต่อไปจะคุณศีวะลาครับที่บ้านเลี้ยงไก่จะทำอย่างที่บ้านเลี้ยงไก่จะทำไรดีที่จะไม่ให้แม่เลี้ยงไก่อีกเลยเลี้ยงสองหมืนตัวค่ะไม่อยากเลี้ยงกลัวจะไปถึงลูกหลานค่ะ ก็ให้เลี้ยงอาบุญเลยบอกแม่เลี้ยงอาบุญเลี้ยงแบบเลี้ยงหมาอ ย, ยงเลี้ยงอาบุญอย่าไปฆ่ามันอย่างนี้ก็ได้บุญเยอะต้องสองหมืนตัวแต่ถ้าเลี้ยงเพื่ออาไปขายเอาไปฆ่านี่ก็ได้บาปก็ถามแม่ว่าแม่จะเอาบาปหรือแม่จะเอาบุญก็มีเท่านี้นแหละคําถามต่อไปจากคุณแนทครับขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาพุโทโธสามารถนึกถึงคําว่าพุโทโธไว้ที่หน้าท้องได้ไหมคะ แ ล, แ, แล้วแต่เราเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้มันไม่จำเป็นจะต้องเอาไปไว้ที่หน้าท้องนี่พุทโธมันอยู่ในใจเราก็ ld, ให้มันอยู่ในใจเราให้เราอยู่กับพุทโธไม่จำเป็นจะต้องเอาไปไว้ที่หน้าท้องแต่อยากจะเอาไปไว้ที่หน้าท้องด้วยก็ได้เช่นยุบหนอพองหน่อหน้าท้องท้องเข้ากบพุทท้องออกก็โธอย่างนี้ก็ได้ตามใจแต่ไม่จาเป็นไม่จาเป็นต้องเอาไปไว้ที่ไหนมันอยู่ที่ใจ ก็ให้มันอยู่ที่ใจไปคำถานต่อไปจะทางไลนยนะครับจากคุณสุพัตราครับมีพี่ชายที่เขาชอบหุนหงิดแล้วเหมือนเป็นคนเก็บกดแล้วทำให้เขาชอบว่าคนด่าคนบางทีก็ไม่เข้าใจเลยแต่ช่วงนี้ชอบพูดว่าจะตายวันนี้ที่นี่อยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเถียงกับพี่น้องซึ่งวันที่เขาบอกคือวันเกิดของเขาเองเป็นห่วงเขา ว่าเขาจะคิดไม่ได้จริงๆอยากให้เขาฟังธรรมะเข้าทางพระบ้างไม่รู้ทำยังไงอยากให้เขาคิดเป็นคิดได้ควรทำอย่างไรดีคะก็อยากให้ส้มเป็นกล้วยทายัางไงดีนะกล้วยส้มมันอยากให้เป็นกล้วยไปทำยังไงเขาเป็นอย่างนี้อยากให้ก็เป็นอย่างนั้นทำยังไงทำได้หรือเปล่าก็ถามตัวเองดูทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำทาได้ก็ทาไปแต่าทานั้นเอง ตอนนี้คำถามหมดครับหมดแล้วใช่ไหมคเขาเป็นอย่างนี้จะอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วทำได้ไหรือเปล่าทาได้ก็ทําไปเสยก็ทําให้ก็เป็นอย่างที่เราอยากให้ก็ทําเมื่อทําไม่ได้จะทําไงก็ไม่ทํานั้นเป็นไม่เห็นจะมีปัญไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหนเลยอนะเรื่องของคนนี่เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นกล้วยอย่างเงี้ยอยากจะให้ก็เป็นส้มอย่างเงี้ยมันจะให้ก็เป็นได้ยังไงเขาต้องเป็นเขาเองเขานับเปลี่ยนได้จาก กล้วยมาเป็นส้มได้เขาเปลี่ยนนิสัยก็ได้แต่มันก็ยากคนที่ชอบกินเหล้าเมายาจะบอกให้เขาเลิกกินเนี่ยเขาก็อยากจะเลิกแต่เากาเลิกไม่ได้เพราะเวลาจะเลิกมันทรมานนิสัยของคนพอเป็นอะไรแล้วพอเปลี่ยนนิสัยมันเปลี่ยนยากเวลาเปลี่ยนมันทรมานคนจึงไม่อยากจะเปลี่ยนนิสัยกันแต่ถ้าเปลี่ยนได้ก็ดี เปลี่ยนได้ก็จะได้เป็นผ้าอารหันได้เนี่ยที่มาบวชมาปฏิบัติก็เพื่อมาเปลี่ยนนิสัยจากปุตตชรให้เป็นผ้าอาริยะเป็นผ้าอารหันนั่นเองถ้าเปลี่ยนได้ง่ายก็เป็นผ้าอารหันกันไปหมดบ้านหมดเมืองแล้วคำถามต่อไปจากคุณชนะตนครับทุกคนรู้ว่าตัวจะต้องตายแต่ส่วนใหญ่เลี่ยงไม่คิดถึงมันทําอย่างไรถึงจะใช้ประโยชน์จากความรู้นี้เพราะเลี่ยงคิดอย่างไรสุดท้ายก็ต้องเจออยู่ดี ก็มันคิดอยู่บ่อยๆไม่ให้ลืมเมื่อเรารู้เราจะตายเราจะได้เปลี่ยนช่องทางหาหาที่พึ่งกันใหม่ที่พึ่งตอนนี้เราเป็นที่พึ่งที่พึ่งไม่ได้เวลาตายพึ่งไม่ได้เวลาแก่พึ่งไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพึ่งไม่ได้เราต้องมาหันหาที่พึ่งใหม่ที่พึ่งใหม่ที่เราพึ่งได้ก็คือภาวนาพุทโธพุทโธทําใจให้สงบให้ได้ทําใจให้สงบได้แล้ว เวลาแก่ก็พึ่งพึ่งความสงบได้เวลาตายก็พึ่งความสงบได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พึ่งความสงบได้การระลึกถึงความแก่ความเจ็บอยู่เรื่อยๆความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่ลืมเพื่อเราจะได้รีบมาสร้างที่พึ่งอันใหม่กันนั่นเองหมดแล้วเหร้ครับจำถามจาจะคุณครูแดงครับอยากเรียนถามพระอาจารย์มักมีความรู้สึกหดหู่และวิตกจริต ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีเรื่องอะไรจะแก้ไขยอย่างไรคะเพราะปล่อยให้ใจคิดยอย่าไปคิดสิหดหูก็พุทโทพุโทโธหยุดมันพุโทโธพุโทโธไปควบคุมใจไม่ให้คิดถ้าไม่คิดแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดถ้าเกิดก็รีบใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันไปพอหดหูเนี่ยพุทธโทไปห้านาทีก็หายตอนตอนนี้คําถามหมดครับใจเรานี่ยเป็นตัวผลิตความสุขความทุกข์ด้วยความคิด คิดไปในทางที่ดีก็สุขคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ทุกข์คิดไปตามความจริงก็จะสุขคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่เท <c> ี่ยงเราก็จะได้ตัดมันปล่อยมันไม่ไปยึดไปติดมันเพราเราตัดมันได้เราก็ไม่ทุก иваем. ข์กับมันใครจะไม่เที่ยงก็เรื่องของเขาใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาร่างกายของเรามันจะไม่ไม่เที่ยงก็เรื่องของมัน แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะเรายอมรับความจริงปล่อยวางมัน mm. นั้ น, นคิดไปในทางที่ดีคิดเพื่อปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรที่เราทุกข์เพราะเราไปแบกหนักอกหนักใจกับคนนั่นคนนี้เพราะอย่างเมื่อคำถามเมื่อกี้เนี่ยหนักอกหนักใจกับเขา mm. เพราะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็เลยหนักอกหนักใจขึ้นมาไปแบกเขาเอง ไม่เห็นว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอนัตตาไม่เที่ยงอนิจจังไม่เที่ยงเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสีวันไข่เราอยากจะให้เขาเที่ยงอยากให้เขาดีก็ทําไม่ได้ก็เลยหนักอกหนักใจคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกต้องคิดว่าเขาเป็นอย่างนี้เปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนตัวเขาเองทําได้อย่างมากก็ แนะนำเขาถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเราไม่รู้วิธีเปลี่ยนก็มาถามเราเราก็จะได้บอกเขาได้คำถามต่อไปจากคุณแหวนครับถ้าพ่อแม่เป็นโสดาบันลูกที่เกิดเป็นโสดาบันด้วยหรือเปล่าคะไม่เป็นเย่างน้นลูกของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรละลาหนายังต้องไปบวชเลยต้องไปปฏิบัติถึงจะเป็นมันไม่ได้เป็นกรรมพันธ์เหมือนกับร่างกายพ่อเป็นเบาหวานลูกก็เป็นเบาหวานแต่ ใจมันไม่ได้เป็นกรรมมาพันนะไม่ได้ถ่ายทอดให้ต่ออีกคนหนึ่งคําถามต่อไปจากคุณพอลครับขอให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องวิปัสสนาครับก็รู้จริงเห็นจริงไงรู้ความเป็นจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเนี่นี่วิปัสสนาเรามักจะมองไม่เห็นความจริงกันเราจะเห็นว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขเห็นเงินนี่ก็ว่าสุขนะเห็นเงินก็อยากได้ เห็นตำแหน่งนายกนี่ก็อยากจะได้กันแทนที่จะเห็นว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงไม่แน่นอนได้หรือไม่ก็ไม่รู้ได้แล้วจะอยู่ไปนานทักเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้ไม่มองไม่คิดไม่เป็นเนี่เรียกว่าไม่เป็นวิปัสสนูมองไม่เห็นความเป็นจริงความเป็นจริงก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมันเลยทาให้เราทุกข์กันความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆมันทาให้เราทุกข์กัน พราเราอยากให้มันแน่นอนเราอยากให้มันเที่ยงแต่เราก็สั่งมันไม่ได้นี่เกิดวิปัสสนาให้มองอย่างนี้มางว่าเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้คําถามต่อไปจากคุณสมาธิครับกราบเรียนถามค่ะพระอาจารย์ระหว่างความคิดปรุงแต่งกับความคิดฟุกับคิดฟุ้งร้างแตกต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันเลย ปรุงแต่งไปแล้วมันก็ฟงไนงะปรุงแต่งปรุงแต่งก็เหมือนแต่งนิยายไงคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนู้ น, อ ย, น, นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ฟุงขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณลาตรีครับพระอาจารย์ครับผมอยากจะหมดไปผมอยากความอยากจะหมดไปได้ด้วยการฝืนไม่ทําตามความอยากหรือด้วยอย่างอื่นครับก็เนี่ยต้องไม่ทําตามความอยากมันก็จะหมดไป ในนี้จะไม่ทําตามความอยากนะก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขยันอยากสูบบุหรี่นี่ยก็เห็นว่าการสูบบุหรี่นี่มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสุขนิดเดียวสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเห็นไหมความสุขนิดเดียวตอนที่ได้สูบแต่ไม่ไปติดพอติดแล้วมันทุกข์เพราะเวลามันจะอยากจะสูบบางทีไม่มีให้สูบก็ทุกข์หรือสูบมากๆก็ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยสูบไม่ได้อีก หมอไม่ให้สูบก็ทุกข์อีกให้มองอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ไม่อยากสูบเลิกสูบคำถามต่อไปจากผู้ไม่ผระสงค์ออกนามครับเห็นพระทำผิดศีลอย่างน้อยสังฆาทิเศรษฐศาสงราทิเศศ เ, เราควรทำอย่างไรดีเตือนท่านแล้วก็ไม่ฟังก็เรื่องของท่านแจ้งความไปเลจะรู้ก็ไปบอกพระผู้ใหญ่พระผู้ปกครองตอนนี้คำถามหมดครับ ใครทำผิดก็มันเป็นความผิดของเขาแต่มันก็มีผลกระทบต่อภาพรวมของกลุ่มได้ทำให้คนก็มองกลุ่มไม่ดีได้ว่ากลุ่มนี้มีแต่พระไม่ดีถึงแม้จะมีพระไม่ดีเพียงรูปเดียวแต่เขาก็จะเหมาแบบปาทูเน่าตัวเดียวทำให้มันเน่าทั้งเข่งดังนั้นวิธีแก้ก็คือต้องกำจัดหรือทำปาทูนั้นไม่ให้มันเน่าพระที่ทาผิดสังฆาธิเศษก็ต้องจับไปลงโทษ ่ะไปอยู่ปริวาสกรรมจะไปขังคุกอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนนีแล้วค่อยออกมาชำระตนเองก่อนแล้วค่อยกลับมาอยู่กับหมู่คณะต่อไปเรียนคำถามต่อไปจากคุณแหวนครับเรียนถามเพิ่มถ้าลูกเป็นโสดาบันชาติภพใหม่ของลูกจะเป็นอย่างไรหรือได้เกิดในครอบครัวมีสัมมาทิฏฐิครับเ อ, อ๋อจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนไม่สาคัญ ใจที่ผู้ไปเกิดที่เป็นโสดาบันก็เป็นโสดาบันต่อไปมีแต่จะพัฒนาสูงขึ้นไปตามลําดับพอโสดาบันนี้ต่อไปก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นพระสกิริาคามีพระอนาคามีและพะระอระหันต์หันต์เองโดยอัตโนมัติเพีงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่ต้องมีใครมาสอนไม่ไม่ต้องมีใครมาสั่งมันจะไปโดยธรรมชาติเหมือนต้นไม้ พอมันเริ่มโตของมันเองแล้วมันก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆไม่ต้องมาคอยลดน้ำเหมือนตอนที่มันยังเป็นต้นเล็กๆอยู่พอไม้มันเริ่มอยู่ตัวแล้วทีนี้มันก็จะเจริญงอกงามของมันไปออกดอกออกผลของมันไปคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณอาทิพรครับอยากถามว่าการเจริญกรรมฐานเพื่อให้จิตได้รู้ตามความเป็นจริงใช้สติตามทัน คือกรรมฐานนี่มีสองขั้นขั้นตอนขั้นแรกคือการจเจริญสติเพื่อหยุดความคิดก่อนเมื่อหยุดความคิดได้แล้วขั้นที่สองก็สอนให้คิดไปในทางความเป็นจริงจช่นคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่ก่อนที่จะสั่งให้มันคิดไปในทางความเป็นจริงได้ต้องหยุดคิดให้ได้ก่อนถ้าสั่งให้มันหยุดไม่ได้มันจะไม่คิดไปในทางที่เราสั่งมันจะไปคิดในทางที่มันชอบคิดอยู่เรื่อยๆ มันจะคิดว่าเป็นสุขเป็นของเรามันเที่ยงดนนตอนต้นนี้เราต้องใช้กรรมฐานหยุดความคิดก่อนหยุดความคิดที่ไปคิดไปในทางที่ไม่ถูกพอหยุดความคิดไปในทางที่ไม่ถูกได้แล้วก็สั่งให้มันคิดไปในทางที่ถูกต่อไปคำถามต่อไปจะทางไล่ครับจะคุณ PJ ครับไม่ค่อยมีความรู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายแขนหรือขาส่วนใหญ่ความรู้สึกของร่างกายจับอยู่ ตรงปลายจมูกและท้องเสมอไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนขณะนั่งสมาธิก็เช่นกันความรู้สึกยิ่งชัดเจนไม่ทราบเกิดจากสิ่งใดเจ้าคะก็เกิดจากเราไปจ่ออยู่ตรงจุดนั้นมันก็รู้สึกต ร, ตรงนั้นทั้อย่างเดียวเราไม่ไปจอรับรู้ส่วนอื่นมันก็ไม่รับรู้เท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณชนะตนครับการละกิเลสจะละเป็นขั้นๆไปคือละยศร่างกายเราเวทนาเรา คนที่จะดูจิตได้ผลต้องรักกายและเวทนาให้ได้ก่อนไหมคะใช่มันต้องลัจากของยากไปสู่ของจากของง่ายไปสู่ของยากเหมือนก่อนที่เราจะไปถึงเม็ดของผลไม้ได้เนี่ยเราต้องไปปอกเปลือกออกก่อนเอาเนื้อออกก่อนจะไปถึงตัวเม็ดได้ตัวจิตนี่มันเป็นเหมือนเม็ดของผลไม้เราต้องแกะเปลืกก่อนบอกเอาตัดเนื้อออกไปก่อนถึงจะเข้าไปถึงตัวเมดเมล็ดของผลไม้ได้ ตัวจิตก็เหมือนกันก่อนที่เราจะเข้าไปถึงจิตได้เราต้องผ่านภายนอกก่อนลาบยศสรรเสริญก่อนลาบยศสรรเสริญร่างกายของคนอื่นก่อนเสร็จแล้วก็มาปล่อยร่างกายของเราปล่อยเวทนาของเรามันถึงจะเข้าไปถึงตัวจิตได้ถึงจะไปปล่อยตัวจิตได้อีกทีหนึงคำถามต่อไปจากคุณพอลครับน้มัสการครับเกณฑ์การวัดโสดาบันดูได้อย่างไรครับเราจึงจะรู้ว่าเราเป็นโสดาบัน เราไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวความแก่เราจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเรามีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นตเป็นที่พึ่งของเราได้คำถามต่อไปจากคุณทองใบครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะชาตินี้ดิฉันดูแลบิดามันดาอย่างดีชาติต่อไปเราคงจะต้องผูกพันหรือเกิดกับพ่อแม่เดิมอีกไหมคะ อาอไม่หรอกมันก็จะทำให้เรามีคนมาดูแลเราตอนที่เราเป็นพ่อเป็นแม่ทำอะไรไว้เราก็จะได้สิ่งที่เราทำกลับมาตอนนี้คำถามหมดครับ เ, ออเรื่องของความผูกพันนี่มันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เราไปเจอกันแต่ถ้าเจอกันเราก็อาจจะมีความผูกพันกันได้เช่นชาตินี้เรามาเกิดเนี่ยเราจะเห็นคนบางคนเราเห็นแล้วเราชอบอยากจะอยู่ใกล้บางคนเห็นแล้วก็อยากจะอยู่ห่าง อันนี้ก็เป็นเพราะว่าอาดีตมันเคยมีคอมคยชอบกันหรือเคยเกลียดกันถ้าเคยเกลียดกันเจอกันหน้าที่ไหนเมื่อไหร่มันก็จะเกลียดกันเมื่อ น, นั้นถ้าชอบกันเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็จะชอบกันเมื่อนั้นมันจะจำได้เพราะคนเรามันไม่เปลี่ยนนิสัยใจคอมันไม่เปลี่ยนถึงแม้จะเปลี่ยนหน้าตายสังเกตคนเราเนี่ยไม่เคยเจอกันสามสี่สิบปีเนี่ยถ้ามองหน้าตานี้จะจาไม่ได้ แต่พอพูดออกมานี่จำได้เลยวิธีพูดเสียงของเขานี่มันไม่ค่อยเปลี่ยนฉันใดาชาติหน้าเราไปเกิดใหม่เนี่ยวิธีพูดของเราวิธีทําทา่าทําทางอะไรของเรานี่เหมือนเดิมพอเราเจอมันปั๊บเราจะจําได้ทันทีว่าไ อ, ไอคนนี้แบบนี้ไม่ชอบแน่แน่นิสัยแบบนี้ไม่เอาเออหรือด้านนิสัยดีชอบก็โอ้เจอแล้วชอบทันทีเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีความผูกพันกันก็คือเราจะจําได้ จำที่นิสัยใจคอหมดได้ยังครับยังไม่มาครับเหลืออีกสองนาทีรอสักหนึ่งนาที น, ทนะพยายามทํานิสัยที่ดีไว้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าจะผูกพันกับคนที่ดีไม่เสียหายตรงไหนอย่าไปผูกพันกับคนที่ไม่ดีคนกับท่านไม่ดีจะเจอแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆคำถามจากคุณโรสครับ มีลูกแต่สั่งสอนไม่ได้ดั่งใจจะภาวนาอย่างไรดีเจ้าคะก็อย่างที่บอกทําเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่ทําได้ส่วนเขาจะเชื่อฟังเราหรือไม่นี่เราแปบังคับเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นอนิจจ์เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข้บางทีก็เชื่อฟังบางทีก็ไม่เชื่อฟังจใจเขาเชื่อฟังตลอดเวลาก็ไม่ได้ก็ต้องทําใจแล้วก็ปล่อยวาง ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันเอาคำถามสุดท้ายถ้ามีครับคํำถามสุดท้ายจากทางอินินบ็อกซ์ครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะตอนคุณยายมีชีวิตอยู่คุณแม่ดูแลไม่ดีพอท่านเสียชีวิตไปแล้วคุณแม่สํานึกผิดท่านจะทํำยังไงคะก็มันสายไปเสียแล้วเมื่อถึงเวลาจะทํามันไม่ทําก็ก็ต้องพยายามทําความดีต่อไปเท่าที่เราจะทําได้ส่วนที่เราทําไม่ได้ก็ก็ถือว่ามัน พลาดไปแล้วก็เอามาจดจําไว้เป็นบทเรียนชาติหน้าเวลาไปมีแม่ ก, ก็พยายามดูแลแม่ให้ดีก็ทําได้เท่านี้คนเราบางทีมีโอกาสทําก็ไม่ทําพอหมดโอกาสแล้วก็มาเสียใจเสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ไปพิณิชพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด